สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องคืนสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนร่วมงานของผมคนหนึ่งเด้เล่าถึงประสบการณ์ของพี่ชายของเขาพี่ชายของเพื่อนคนนี้ชื่อว่าพี่เสกเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นพี่เสกได้ไปเที่ยวงานประจาปีที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งต้องเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งเลย ระยะทางก็ไกลพอสมควรมีคนไปด้วยกันทั้งหมดหกคนมีพิเศษเป็นคนขับที่นั่งหน้ารถคนเดียวที่เหลืออีกห้าคนพากันนั่งที่กระบะท้ายรถซึ่งเรื่องราวมันก็มาเกิดขึ้นตอนขากลับช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบเอบที่ยงคืนเป็นช่วงระยะทางที่ใกล้จะถึงบ้านแล้วขณะที่รถกำลังเล่นผ่านทุ่งนา อีกราวๆหนึ่งเมตรข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นต้นยางนาต้นใหญ่ทะมึนโดดเด่นท่ามกลางความมืดแสงไฟรถสาดไปให้พิเศษเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ใต้ต้นยางนา น, นั้นลักษณะเหมือนผู้หญิงยืนก้มหน้าพิเศษก็สงสัยว่ดึกป่านนี้แล้วทำไมมีคนมายืนอยู่อย่างนั้นแกเลยก็พิ้ไฟทักพอรถแล่นเข้าใกล้ต้นยาง ในระยะประมาณ20เมตรพิเศษเห็นร่างนั้นยื่นมือออกมาข้างหน้าและโบกมือขึ้นลงช้าๆพิเศษก็เริ่มรู้สึกชักจะยังไงซะแล้วพอถึงจุดที่ร่างนั้นยืนอยู่ทันใดนั้นเองร่างนั้นก็กระโดดมาเกาะตรงกระจกหน้ารถเฉยเลยเสียววินาทีที่พิเศษเห็นร่างนั้น แกเห็นเป็นผู้หญิงหน้าตาเละๆมีเลือดสดๆไหลเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดพิเศษตกใจแทบช็อกแกเลยหักพวงมลาลัยอย่างแรงเพื่อให้ร่างนั้นหลุดด้วยความที่รดแล่นมาด้วยความเร็วและถูกหักพวงมลาลัยแบบกระทันหันอย่างนั้นทำให้รถพลิกคว่มลงข้างทางคนที่นั่งกระบะ ท, ท้ายกระเด็นไปคนละทิศละทางบางคนสลบบางคนยังพอมีสติ ก็ร้องโอดอวยด้วยความเจ็บปวดจนมีรถขับผ่านมาเห็นจึงรีบโทรแจ้งตำรวจและรถพยาบาลให้มารับคนเจ็บไปหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พิเศษสมองไม่ปกติเหมือนเดิมและยังไม่ทราบว่าต้นยางนั้นเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง2แม่ลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่พี่คนหนึ่งชื่อพี่ภูมิเล่าถึงประสบการณ์สยองขวัญของตัวเองแกเล่าว่าตอนนั้นแกได้ไปแข่งฟุตบอลที่สนามกีฬาของอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านที่นั่นพี่ภูมิต้องขับรถไปราวลาวหกิโลเมตร ทางเส้นที่แกขับไปเป็นทางลัดตัดทุ่งนาเป็นถนนคอนกรีตรเส้นเล็กๆทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยทุ่งนาสลับกับสวนผลไม้บ้างเป็นบางช่วงเรื่องราวันมาเกิดเอาตอนขากลับนี่แหละพี่ภูมิแข่งบอลเสร็จราวๆเกือบทุ่มฟ้าเริ่มมืดลงทุกขณะแกก็ขับรถกลับบ้านโดยใช้เส้นทางเดิมขับมาเรื่อยๆจนเกือบถึงสะพานปูนเล็กๆ ที่ทําขึ้นเพื่อใช้ข้ามคลองชุลประธานประมาณ50เมตรแสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์สาดไปกระทบกับบางสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพี่ภูมิเพ่งมองดูเห็นเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงลา ย, ลายใส่เสื้อแขนกุดสีดำเดินจูงมือเด็กผู้ชายตัวน้อยใส่กางเกงกีฬาสีน้ำเงินแต่ไม่ใส่เสื้อกําลังเดินขึ้นสะพานปูนนั้นดูแล้วน่าจะเป็นแม่ลูกกัน พี่ภูมก็สงสัยไม่ได้ว่าเวลามืดค่ำแบบนี้ยังมีคนมาเดินแถวนี้อีกเหรอแถมเป็นแค่ผู้หญิงกับเด็กซะด้วยทางเปลีปล่ยวๆแบบนี้เสี่ยงอันตรายไม่น้อยเลยเพราะปกติเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คนทำนาทําสวนจะใช้กันไม่ค่อยมีใครสัญจรไปมาทำไมจำเป็นจริงๆพอสิ้นความคิดรถก็ขึ้นมาบนสะพานแล้ว ถึงจุดที่แม่ลูกคู่นั้นอยู่พอดีพี่ภูมิก็เลยมองเพื่อจะถามแต่ท่านใดนั่นเองพี่ภูมิต้องตกใจจนใจแทบหยุดเต้นแกเห็นร่างคนเป็นแม่ไม่มีหัวส่วนลูกชายก็ใบหน้าแหวงไปข้างหนึ่งเห็นในระยะชัดเจนขนาดนี้พี่ภูมิก็สติแตกขับรถแหกปากร้องลั่นทุง่งผีหลอกโว้ยผีหลอก จนมาถึงบ้านพี่ภูมิก็รีบวิ่งขึ้นบ้านไปหาพระมาคองคอแล้วเข้าห้องนอนแกทันทีคนในบ้านก็พากันงงเช้ามาพี่ภูมินอนสมจับไข้อยู่ในห้องแม่พี่ภูมิก็เลยถามว่าไปทำอะไรมาถึงได้จับไข้แกก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังแม่เลยบอกว่ากล้าผ่านไปได้ยังไง ใครเขาผ่านกันโดนผีนวนกับลูกหลอกเอาละสิมันถูกข่มขืนและฆ่าตัดคอลูกชายมันก็โดนฟันหน้าแหว่งด้วยมีคนพบศพถูกทิ้งอยู่ใต้สะพานนั่นแหละเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องจำจนตาย เรื่องราวเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านสุขาพิบาล3ย้อนไปสมัยที่คุณน่มยังเด็กหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดริมคลองแสนแสบเยื้องหมู่บ้านอีกฝั่งคลองเป็นวัดแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้มีทั้งหมด3ซอยระหว่างซอยหนึ่งกับซอย2มีสนามฟุตบอลส่วนซอยที่สอยู่ใกล้ริมคลองมีบ้านไม้หลังหนึ่งสุงสร้างยื่นลงไปในคลอง จของบ้านคือลุงกับป้าที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายวันหนึ่งขณะที่คุณหนุ่มนั่งพักผ่อนกับเพื่อนๆหลังจากเสร็จจากการเล่นฟุตบอลในร้านค้าใกล้ๆสนามคุณป้าจากบ้านในคลองก็วิ่งหน้าตาตื่นผมตั้งชี้ฟูเข้ามาหาพูดจาไม่ได้สับหลังจากให้ป้านั่งและตั้งสติ ป้าจึงเล่าว่าโดนผีเด็กหลอกป้าบอกว่าเป็นผีเด็กผู้หญิงถือตุ๊ ก, กตาขึ้นมาจากน้ำสวมชุดกระโปรงสีฟ้าพวกคุณหนุ่ม 4-5 คนจึงอาสาไปดูที่บ้านป้าโดยให้ป้าอยู่กับเพื่อนๆที่ร้านค้าข้างสนามฟุตบอลเมื่อไปถึงบ้านป้าสิ่งที่มองเห็นผ่านร่องไม้ของตัวบ้านคือรอยเท้าเด็ก 3-4 รอย แล้วหายไปจึงพากันตกใจและชักชวนกันดูให้ละเอียดอีกทีก็มองไปเห็นเท้าคนนอนเหยียดอยู่บริเวณส่วนครัวของบ้านข้างๆหม้อข้าวที่ล้มมีข้าวสารดิบกระจายอยู่จึงพากันกลับมาที่ร้านค้าก็ไม่เจอป้าซะแล้วถามเพื่อนๆก็บอกว่าป้าเดินออกไปตามลุงแฟนของป้า ทงหน้าหมู่บ้านจึงเดินเลี้ยวไปคนละทางกับฝั่งบ้านของพวกคุณหนุ่มจึงเล่าให้เพื่อนที่ร้านขาฟังถึงสิ่งที่เจอแล้วก็พากันกลับไปที่บ้านปาอีกครั้งโดยไปกันทั้งหมด14คนสิ่งที่เห็นคือคนที่นอนชักเกรงล้ำลายฟูมปากก็คือป้าคนที่วิ่งมาบอกว่าเจอผีและพบว่าป้าตายแล้ว เมื่อตำรวจมาในที่เกิดเหตุก็สันนิษฐานว่าป้าเสียชีวิตมาแล้วสามชั่วโมงจากสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลันมูลนิธิได้สอบถามพวกคุณหนุ่มว่าทราบได้อย่างไรว่ามีผู้เสียชีวิตคุณหนุ่มจึงได้เล่าเหตุการณ์ไปว่าเจอป้ามาบอกว่าถูกผีเด็กหลอกมูลนิธิจึงบอกว่าเด็กผู้หญิงที่ป้าพูดถึงตายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว และยังหาศพไม่เจอเช้าวันต่อมาพวกคุณหนุ่มจึงพากันไปทำบุญและกลับมาคุยกันที่ร้านค้าข้างสนามฟุตบอลก็เจอคนจากมูลนิธิมาบอกว่าได้รื้อบ้านของป้าออกและสิ่งที่พบก็คือศพเด็กผู้หญิงโดยไปพบอยู่ใกล้ๆ ก, กับตอไม้ของบ้านป้า น, นั้นพร้อมกับตุ๊ ก, กตาเหตุการณ์นี้ทาให้เพื่อนของคุณหนุ่มบางคน ถึงกับจับไข่และพากันทบทวนถึงสิ่งที่ได้เจอมาในครั้งนั้นและเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ